มัคนควรจะเวลาแล้วถอนสติออกมาฟังยกมือขึ้นในวออ่าจะกอนก็นั่งอยู่ปกติสั่งใจฟังถ้าทำแล้วไม่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจพูดถูฟังเอาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดถูฟัง เพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าเอาอะไรสอนญ า, า, าติโยมฆรวาสจะทำธรรมะสําหรับฆรวาสผู้คลองเลือนให้ทําทานให้รักษาศีลแล้วก็ให้ธรำสมาธิที่เราเคยได้ยินอยู่เสมอทานศีลบุญทานศีลสมาธิทานศีลภาวนา ภาวนาก็ว่าได้ทำบุญก็ว่าได้ทำสมาธิก็ว่าได้เปลี่ยนไปได้หลายคำภาษาบาลีนั่นแตคมากเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำบุญไม่ค่อยได้ทำสมาธิน่นหรือไม่ได้ภาวนา ได้ทำสมาธิได้ภาวนาบ่อยๆถ้าเกิดสติจะเกิดปัญญาตัวสําคัญคือตัวปัญญาจะรู้ว่าถูกต้องถูกใจจะรู้ว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงมีแต่เข้าใจไปวัดทําบุญเขวัดทําบุญเมื่อเวลาไม่ทําบุญให้จิตนิ่งให้จิตสงบก็เลยไม่มีปัญญาผลกะของก็ให้พระจุง้ง เพราะว่าไปทำบูนเห็นไหมไม่มีปัญญาเป็นอย่งังไงล่ะไปทำไม่เอาแต่ความยุ่งยุง่งคนเราชอบยุง่งยุ่งอยู่บ้า น, นก็ไปยุ่งทู่วัดดิกนะเพราะอะไรล่ะเพราะไม่มีปัญญาจึงมีแต่เรื่องยุง่งยุ่งของในจะนําออกของนอกจะนําเข้าเรื่องลอกลกจะนําเข้าวัดนั่นจึงไม่ยุง่ง จึงไม่วุ่นวายจึงไม่มีปัญหาจึงไม่ทะเลาะกันเกาจะเรื่องลอกเข้าวัดโอ้มีแต่ปัญหาที่นี่วัดก็จะถานที่แก้ปัญหาถต่เราไม่ไปแก้ปัญหามีแต่ปัญหาหาหาหาไม่จักไหมเอาปัญหาเข้าวัดวัด น, นั้น ให้หลวงพ่อไปตั้งชื่อวัดอยู่วัดประชุมแต่วัดวัดแจ้ดชื่อวัดอะไรก็เลย พ, พ่อเราพุทธบูชาตะอาวะ้าเอาวัดปากิเลสวัดขากิเลสเราจะตรงเกินไปไ ม, ไมั่อ็เลยมีนะเจ้าใสยซืออะไรหลว่าจาไม่ได้เพราะนันยไม่ชอบกันก็เว่าลวพ่อตั้งชื่อให้เดียวหลวงพ่อเอาพุทธบูชาจ้ะ เอาคำสอนของพระเจ้ามาบูชาแล้วมาปฏิบัติทำตามคำสอนของพระเจ้าัาัวกบูชาคำสอนของพระเจ้าด้วยการปฏิบัติบูบชาเห็นไหมเราบูชาเมื่อกี้นี่หนึ่งนาทีนั่นเห็นไหมเห็นบุญไหมที่นี่คนเราส่วนมากก็ไม่ค่อยทำมันเป็นยังไงที่เนี่ยึงไม่ค่อยทำ ทำที่พระพุทธเจ้าทีตัตตรูยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้เห็นไหม ย, ยากไหมนั่นเราอยากจะได้วัดอยากจะได้พระอยากจะได้วัดสร้างวัดมันสร้างไม่ยากสร้างยากก็คือสร้างพระสร้างยากก็คือสร้างคนสร้างคนก็คือสร้างพระ วัดจะสร้างยากอะไรดินมีเท่าไหร่แล้วเดียวก็เสร็จแล้วแต่คนน่ะพระน่ะสร้างให้เป็นพระหรือว่าสร้างให้ก้นผมผมผ้าเหลืองก็ว่าเป็นพระอย่างนั้นไม่อดเยอะแยะที่ไหนเขาก็โกนได้ผ้าเหลืองในล้านข้าายิ่งเยอะนั่น ยากไหมสร้างคนได้เป็นพระตามหลักสุปฏิปโนให้ทําตามหลักสุปฏิปัโนที่นี้ญาติโยมบางท่รู้ว่าสุปฏิปโนคืออะไรที่นี้พระเจ้าจึงมาสลุกให้ผู้ปฏิบัติทำเข้าใจการเลือกให้พระพุทธองค์ทรงสต่งลเสริญรู้จักไหมเลือกให้เลือกให้ทานนั่นที่นี่คําตอบของญาติโยม พระเหมือนกันพระไตรปิฎกเหมือนกันสิ่งสองรอ ย, ยี่บเจ็ดเหมือนกนนันถ้าบอกว่าเลือกให้น้อยเลือกยังไงเลือกอะไรก็ไปรู้เลือกทั้งไม่มีพักเจอะแยะมีวัดเยอะแยะคนสุดท้ายกันจะรู้อะไรแล้วสินขอมส ก, กคือเคลียร์ดีแท้อยากได้นั่นอยากได้นี่หาแนวนั่นหาแนวนี่แลวถูก ใจเอาแต่ความถูกใจจะไม่ถูกต้องนั่นเลือกพระก็เหมือนกันเลือกวัดก็เหมือนกันเลือกวัดที่ถูกใจนั่นแต่วัดวัดที่ถูกต้องพระที่ถูกต้องไม่เอาเพราะมันขัดใจเหล น, นคําสอนพระเจ้าจึงปฏิบัติยากาคําสอนของพระเจ้าเห็นไม่ยากไหมที่เราพูดกันอยู่ทุกวันทุกวันยากตรงไหนยากที่ดูลม้มนั่น ไปบ้านลูกว่านหลานบอกให้ลูกหลานตั้งสัจจ์ใครจยกมีสัจจ์บ้างทำวันหนึ่งหนึ่งนาทีให้ทำทุกวันทุกวันบางคนกล้าทำตามหลวงปูบอกบางคนไม่กล้าไม่กล้ารับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมละ่ะแค่หนึ่งนาทียากไหมคำสอนของพุณเจ้าที่คุณเจ้าสอนยากที่สามัรชนคนธรรมดาจะทำได้เห็นไหม <c oughs> ถ้าบอกเรื่องทำคุณไม่ชอบนั่น ไปชอบอะไรล่ะร่ลำรวยสวยงามนั่นเห็นไหมมนโลกอเอาธรรมะไปแปงนะถ้าเห็นบุญก็เห็นนรกหรือบาปเกิดความโลภเกิดความอยากกับบาปนั่นเกิดความรักกับบาปนั่นเอาธรรมะมาแปงถ้าเอาเรื่องของโรคมาแฝงก็ได้อีกเป็นคนละเรื่องแล้วโลภจี้ยะสุข นั่นสิของพระเจ้าไม่ใช่โลกิยะสุขนะโลกุตละสุกไม่มีอาเมษอาเมษสุขนิลามิษสุกนั่นอาเมษสุกอะไ่าคือทางสุขทางโลกนิลามิษสุขสุกในคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเห็นไหมหนึ่งนาทีสุกไหมเมื่อกี้นี่ยเอาเทียบกันดูนะนั่นแหลความสุขมันอยู่ที่ถ้าใจมีความสุขแล้วก็เป็นบุญล่ะีนี้คนเราชอบความพุกใช่ไหม ทุกแบบโลกจิงๆถ้าทุกจริงๆเห็นจริงๆก็นั่นก็เห็นธรรมของพระเจ้านะนี่มันทุกหลอกๆทุกเล่นๆทุกเกี่อยวนกวนจีเล็ดน่นถ้าเห็นทุกจริงๆนี่นมันถึงนั่นแหะที่พระเจ้าคนใดเห็นทุกคนนั้นเห็นธรรมแต่เราไม่เห็นทุกนะเพราะว่าร่ํารวยมีคนสุขเพราะว่าสวยงามมีคนสุขถ้าคําของพระเจ้าร่ํารวยมีคนทุก สวยงามคือความทุกข์ทละกันหึงกันห่วงกันทเละกันเพราะฉันได้น้อยนั่นเพราะฉันอยากได้มากก็เกิดความโลภขึ้นมาเป็นบาปไหมที่นี่ถึงบางคนไม่มีสติไม่มีประจาหาไม่ได้ปนกี้คดโกงเห็นไหมลนะ่ะนํามาถึงความวุ่นวายแล้วนั่น เพราะเราขาดการทําบุญจริงแน่กันทุกวันแน่กันทุกวันเรื่องทําบุญพี่นี่รับนิ ม, มนแทบตลอดพัญษาถ้าเอาทางโลกมาแปลหาเสียงนะไปหาเสียงนะอว่าเวลาออกพรราเรจะมีกี่เสียงหรือเปล่าหรือจะมีบางแห่งมีกี่แห่งอยากอะไรวัดหรือเปล่า บาอยากอยากได้วัดหลวงตาหลวงปู่อยากได้วัดที่นี่นั่นเห็นไหมยรอืออยากได้วัดไม่ยากแต่อยากได้พระนี่มันยากอะ่ะ น, นี่วัดไม่ยากอแต่ยากที่สุดคือมีพระเพราะออกต้นได้จงก็ไม่ต้องกันกองหาพระนะถ้าพระถูกจเจริญจึงชอยนิมนต์จึงทอดชอบจักพระคัจิเลศไม่ยากชอบนั่น ไม่ได้ทำตามใจชอบถ้าเรื่องทำตามใจชอบมันไปง่ายนะมันทำง่ายนั่นเพราะเหตุน้ายากนั่นเห็นว่า ท, ทั้งที่ทำให้ถูกต้องแบบเรียบง่ายผมไม่บอกว่าทำยากทายากมันเป็นยังไงนั่นจิเลศมันไม่พอใจเพราะไม่มีปัญญานั่นหละโดยเฉพาะอย่างที่พูดกันอยู่เดี๋ยวนี้แหละ ที่พวกพระพุทธเจ้าบอกว่าทำที่พรุทธเจ้าที่ตัตตารุยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้นี่เห็นไหมดูลมหายใจเข้าออกนั่นถ้าหาจุดนี้ไม่เจอหาจุดนี้ไม่พบบุญ้วก็หาพระแจะพาทำอันนี้หายากไปหนึ่นั่นมันเครื่องขับจิเลตธรรมะคู่แข่งขันคู่แข่งขันจิเลตนะนัะ่นถ้าไม่มี ความภาคความเป็นชู้เขาไม่ได้จริงนั่นเห็นไหมบอกเราดาดโจมบอกว่าไม่กล้ารักับคำหลวงปู่วันหนึ่งหนึ่งนาทีคิดดูวันหนึ่งมีกี่นาทีฮะให้อาหารใจเลี้ยงใจแต่งใจรักษาใจหนึ่งนาทีไม่ได้เวลาเสียชีวิตได้อะไรไปร่ำรวยสวยงามได้ไปด้วยไหมหามาเท่าไหร่ก็มาอยากร่ํำรวยอยากสวยงามอยากร่ํำรวยอยากสวยงามเขาไปใส่ปากให้เวลาเสียชีวิตเราเขาขอขึ้นมาอีก ได้ไล่ไปผมเช้นหนึ่งเขาทิ้งหมดผมทิ้งหมดอของเลิกของผู้แต่ของผู้เจ้าสอนไม่สนใจนั่นทําไม่ได้ทําไม่ได้เห็นไหมนั่นฟงเสียงผู้เจ้าดูซีทมที่เราสถาโกฏิตรู้ยากที่สามัญชนต้องเหนือจากคนธรรมดาเคนไม่ใช่คนธรรมดาจะทําได้นะอนมีจิตท้ามีความเชื่อมั่น มีบาปริงมีบุญจริงมีสวรรค์จริงมีนรกจริง น, นั่ น, นเราก็ไม่รู้ว่านรกอะทีนี่อยากจะร่ำรวยท่าเดียวอยากจะสวยงามท่าเดียวไม่รู้ว่ามันเป็นนรกถ้ารู้ว่าเป็นนรกไปคุกคีทําไมร่ำรวยไปคุกคีทําไมสวยงามเห็นไหมละ่ะวิธีจะฆ่ากิเลสไม่เอาไม่อยากฆ่าแทงมันไว้สถานที่ฆ่ากิเลส ว่ากิเลสจะไปตั้งชื่อชังนั่นนะคนเราเป็นลูกว่ากิเลสมันเป็นหน้าตาเป็นกิเลสในไม่ทำอะไรทำตามกิเลสทำตามกิเลสมีนยุ่งไปหมดทุกวันนั่นคนเราชอบยุ่งเข้าใจไหมอยากใหนักภาคปฏิบัติอามิ t h u ูชามันเราเห็นกันเราทำกันมาอยู่อย่างนี้อา mithu นั่นไม่ไม่เหมือนนิรามิษุทุกข์เพราะอามิตษก็ใจไม่ได้จริงได้ของถูกใจพอใจโดยอเฉพาะยิ่งตัวใจใจนั่นแหละร่ารวยสวยงามนี่ร่ารวยสวยงามไอ้กระจักร่ารวยสวยงาม <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะทางโรกนะทางธรรมไม่ใช่เฉพาะญาติโยมพระเจ้าพระสงค์ก็เหมือนกันเลยก็ไปนเน้นจุดนี้แหละจึงมีปัญหากันอยู่นี่ ไม่ละไม่ถอนไม่ทิ้งไม่ปลอยพระองเจ้าจึงบอกไว้แล้วสิ่งไหนที่ด้อยวนควรจิตใจไม่ให้ไปยุ่งนั่นข้อธรรมได้ยินไหมธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความสะสมความเริญรู้จักไม่เจริที่นีนน่นั่นไม่ใช่ธรรมคำสั่งสอนของพุธเจ้านะ ส ว, ย, ว, วยก็อยากร่รวยอยากสวยงานมนั่นแหละสะสคมสะสะวะความจิเลอ่ะถ้าคิดทว่ความอยากนิดหน่อยก็เป็นจิเลั่นที่อยากหลุดพ้นก็อยากเหมือนกักนแต่อยากทำได้แล้วไม่มาเกิดนั่นทำของพระเจ้าบางคน่งคนก็อยากไม่อยากสิบางคมอยากได้อย่างสิ่งทิ่ไมบวช อยากหมดชีวิตก็อยากเหมือนกันแต่ว่าอยากเพื่อหมดชีวิตเด้ยนี่สองอยากเด้ยถ้าอยากทงโลกเพื่อเกิดอีกเพื่อแก่อีกเก็บอี ก, ก, อกตายอีกถ้าอยากหมดชีวิตไม่ได้มาเกิดไม่ได้มาแก่ไม่ได้มาเก็บไม่ได้มาตายนั่นคือขนขว่วยทนทุกข์นรมานลําบากต่างต่ำไม่คำนึงถึงความทุกข์ยาก ในคำหนึ่งถ้าว่าทุกข์ยากผมก็ทุกข์ยากถ้าไม่มีอะไรอยากหรอกก็ไม่ทุกข์ยากทุกข์ยากเป็นเรื่องของจิตเละมันไม่มีอะไรอยู่ในกายแล้วเรื่องของร่างกายมันก็ไปตามหน้าที่เกินแล้วแก่เก็บตายใครจะเปห้ามได้แต่คนในโลกไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายไปฝืนธรรมชาติฝืนความจริงของพระพุทธเจ้า อยู่ด้วยการฝืนความจริงของพระพุทธเจ้าจะได้อะไรทีหน้อยู่ด้วยความถ้าฝืนความจริงก็แปลว่าอยู่ด้วยความจอมปลอมนั่นปลอมหลอกลวงตนเอมปลอมหลอกลวงจิตใจตนเองขึง้นนั่นลวงบริสุทธิ์อันใสบริสุทธิ์นั่นเพรา ะ, ะนั้น จ, จิงจะย่ำแล้วย่ำอีกใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยาก พ, พุทธศสนาอากปฏิบัติสิ่ธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้า คำว่าติดโฉมมนุษย์สัตว์สติลาโภติดฉั่งพุทธมุขปาดังติดฉั่งสัตยธรรมมัตสวรรค์ครบบริบูรณ์แล้วยังอย่างเดียวจะรับประทานหรือเปล่ารับประทานอะไรรับประทานสวรรค์นิพพานเหนทางไปสู่สวรรค์นิพพานลงเดินหรือเปล่านะทำไงจะเดินถูกต้องไปไหนทําไงจะรู้ก็เข้าสมาธิดูไม่ใช่ว่าคิดด้วย แบบโลกิยะน่นธรรมะเราไดเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกค า, คายจากความรักคลายจากความเกิดรักโลภโกรธหลงนั่นเป็นธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้ารู้อยู่แกใจมันเก <c oughs> ความอยากกับหัวโยมว่อยากกับหันั่นแต่ถึง ม, มันทำเอาบ่นได้ก็ได้ทำตอบก็ไปหันนะทำตบกเรอททำไม่ได้ทา ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ได้ทิ่งที่ทาไม่ได้ คือยังไม่ทําสิ่งที่ทําไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนถ้ามีปัญญานะั้นจริงย้ําแล้วจาอีกบอกแล้วก้อนบอกอีกคนเราขาดการทําบุญขาดการทําสมาธิเมื่อเมื่อเวลาไม่ทําสมาธิไม่มีปัญญานั่นก็ขาดปัญญาอย่างเดียวนั่นแหละสรุปข้ามาอีก ถ้าหากพูดน้อยก็น้อยเข้าไปอีกก็ได้ทำสอนของพระเจ้าหาความมีออกจากใจตีเป็นไหมตีความหมายเป็นไหมตีความมีออกจากใจมีรักมีโลอมีกอดนั่นมีเสียใจมีไม่พอใจมีถูกใจมีผิดใจมีอะไรถ้ามีมีแต่ยุ่งหมดน่ะถ้าขึ้นเที่ยว่าความมีแล้วอก็อยากให้มันมีสิถ้าไม่มี อยู่ที่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหามีปัญหาไม่มีนะถ้าไม่มีเรนก็ไม่มีอยู่นั่นแหะที่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะมีใช่ไหมถ้าพูดน้อยแปาเดียวกันนั้นนะไม่ยากนะองคิดดูแล้วก็คิดแล้วก็ไปทําดูไปทาให้จิตใจของเราดูไม่มีอะไรแล้วในหัวใจหนึ่งาทีหรือหนึ่งวันก็ได้วันนี้จะไม่ให้มีอะไรอยู่ในหัวใจเอาลองดูสิ ที่ไหนสิ่งที่ทำทำําทางไหนไม่ให้มีไปดูลมนะเลิกจากกันแล้วถ้าหนาวเข้าสถานที่นน่นปิดประตูอะไรดีๆแอร์อะไรแอร์ไฟก็มีอะไรก็มีที่นี่มาเปิเปดอุปกรอสดเฉยๆทำแล้วก็ต้องให้ได้ใช้ประโยชน์บ้างน ะ, นะถ้าว่าหนาวก็หนาวถ้าเข้าสมาธิไม่มีหนาว อยู่กับเราคือว่านัน่นถ้าอยากประเทศไทยนหนาวๆแถวนี้เขามีหนองปลาแล้วล่งพาปลาล่งตึกปลาล่งแหปลาคุณนนึงน่งคุณปอดปอดคือ พ, พอพพเห็นวันหนาวอีกคนนึงมือสันอ่นงงังหัวกองไฟอยู่คุณนั่นนั่นแหละเครื่องทดสอบว่าคนเร า, าชอบสิ่งใดแล้วไม่มีคำ ว, ว่ามีปัญหา ตั้งที่เขาเป็นทำบาปเช่นนั้นเขายึงกล้าทำเหรอจะหอบว่านขาเขาเพระเาะฉะนั้นฝากไว้ให้เน้นหนักภารปฏิบัติไม่ซื้ออาหารใจไม่ได้ซื้อนั่นแหะเวลาเสียชีวิตแล้วเจ้ากรรมนเวรไปถามว่าอากตั้งใจว่าจะไปฟกคําสอนของผู้เจ้าจะไปทําตามคําสอนของผู้เจ้าได้ทํำไหมหรืออากจะไปสวรรค์ไปพนิชยานตามคําสอนของผู้เจ้า รู้จักทางเดินไหทางไปสวรรค์ไหมนั่นถ้าเราเคยไปก็ตอบเจ้ากรรมนายเวรได้ว่าโอยทำทุกวันทําทุกวันดูทุกวันดูทางไปสวรรค์ทุกวันทุกวันน่นตอบได้ถ้าไม่เคยไปละ่ะตอบเจ้ากรรมนายเวรตอบพยยัญญานุติบาลไม่ได้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นทางไปสวรรค์ก็เห็นแต่ทางไปนรกอยู่กับนรก มาจากเมืองไหนมาจากเมืองมโนลกษณ์นั่นน่ะมโนลามโนลานั่งมโนลานั่งคือใจของคนมโนคือใจถ่อติถ้นน้ำหานังมโนลาไปพ่อยู่เมืองพูเงินนั่นใจของทุกคนอยู่เมืองพูเงินมโนคือใจมโนวังกรรมธรรมามโนเศรษฐามโนมายาธรรทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จตุที่ใจ ใหเข้าใจจุดนี้ฝากไว้ให้น้นักภาคปฏิบัตินั่นไม่เสียหายอะไรเลยภาคปฏิบัติทําบุญไม่เสียหายอะไรไม่ได้ชื่ออาหารใจไม่ได้ซื้อจะอาหารตายหระยุ่งถ้าดูคุ้มนี่จะยุ่งมันไม่ยุ่งอาหารตายบางคนยังมาไปได้เตรียมอาหารตายเตรียมอาหาร มาเราก็มายุ่งอีกเด้วยหน้าบุญกุศลอราต้องในดมงลูกหลานญาติพี่น้องใน้เสียตลาดนาตรวจมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาตามหลักตามคำตรัสสอนของครูปุถิเจ้าเป็นบุญกุศลบุญกุศลสวนนี้บุญกุศลของคุณพระคุถิเจ้าคุณพระธรรมประสงค์พระแม่ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติมาแล้ว ต้มารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาเอาตนได้ดลบุตรหลานได้สืบี่น้องต้องมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจเดินเั้าทางได้ความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยการงานจึงใดการเงินถึงใดพัฒนาถึงหนึ่งอันใดก็จงสำเร็จจงสำเร็จสมดามความมุ่งมั่นพัฒนาโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ดวงจิตดวงใจได้เห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพาน ในปัจจุบันในชาตินี้เธอ